สิกขาบทวิพัง 1,060 คำว่าทุกกลึงเดือนคือทุกวันอุโบสถที่ชื่อว่าอุโบสถได้แก่อุโบสถสองอย่างคืออุโบสถวัน14บ่ค่ำและอุโบสถวัน15คห้าที่ชื่อว่าอโอวาทได้แก่ครูธรรม8อย่างภิกษุณีทอดทุราว่าเราจะไม่ถามอุโบสถบ้างจะไม่ข อ, อโอวาทบ้างต้องอบัตรพาจิตตี